นราจะว่าเป็นประเจกกาพุท ธ, ธก็ได้เป็นสาวกพุท ธ, ธก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติอยงรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามจึงจะสมกับที่เราสวดกันหลักสังฆคุณวสุปติปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภิกษพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติ ด, ดีแล้วคือปฏิบัติอย่างถูกต้องครับ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 จิตตังยศนกรรมปฏิอโสกังวิรักษงเขมังเอตามังคะลมุมตัมังดาวสวดเป็นปริตรมงคลกันอันนั้นเป็นคำพูดนะครับเมื่อมาคิดถึงการปฏิ บ, บัติพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยศนกรรมปฏิจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวตอ่ออารมณ์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 เราดำนาคาดนาน้า ม, มันขุนเราว่าน้า ม, มันขุนมันเป็นตมเป็นเลนเต่น้ามไม่ได้ขุนครับสายตาคนมันมองไม่เห็นบัด น, นี้เอานา้าขุนอันนั้นามาใส่ขันใส่โอใส่ขวดใส่ที่ไหนว่าจะได้ตักมาไวนะ้และตมเลนตะกรนนันนะครับมันไม่ใช่เป็นน้าครับตมเลนกับน้า ม, มันอยู่ด้วยกันบัด น, นี้